จงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่กำหนดเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะชีวิตนี้มีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้แหละอดีตมันก็ล่วงมาแล้ว เป็นอะไรก็เป็นมาแล้วจะกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมนั้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงหามันเรื่องอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงอย่าไปคำนึงหามันอย่าไปคาดการล่วงหน้า มันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นเรามากาหนดลงในปัจจุบันนี้อันนี้มันแน่นอนปัจจุบันนี้ดีหรือชั่วอย่างไรมันก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สุขหรือทุกข์ก็ดี ก็อยู่ในปัจจุบันนี้เองความไม่เที่ยงก็ดีก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ความเป็นทกทนได้ยากลําบากอะไรก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ความเป็นอนัตตาของสังขานนามรูป ต่างๆนี่ก็เหมือนกันนะก็เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่ไม่ใช่จะไปเห็นอดีตอนาคตนูน่นไม่ใช่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้เราเห็นแจ้งได้อยู่นี่คนทั้งหลายนั่นไ ม, ไม่ค่อยกำหนด เฮ่งดูอยู่ในปัจจุบันนี่มาเก็บเฮ่งไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างดังนั้นจึงไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏะสงสารนี่เพราะว่าทุกข์ทั้งหลายมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนะี่ยดังนั้นน่ะก็จงพากันตั้งสติ ควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเรารู้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ปรากฏให้เห็นได้ทุกอย่างนั้นแหละก็เมื่อความไม่เที่ยงมันเกิดมันแปรปวนไป มันก็มากระทบกับจิตนี้แหละความแปรปรวนของร่างกายนี่จิตนั่นจะหลีกหนีไปไหนก็ไม่ได้เมื่อร่างกายมันแปรปรวนไปอย่างไรมันก็รับรู้ไปทุกวินาทีไปเลยทีนี้เมื่อผู้มีใจตั้งมั่นอยู่แล้ว กำหนดรู้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอยู่อย่างนี้ก็จึงเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่ามาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆถ้าเพ่งพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้วหน้าเบื่อหน่ายจริงๆ ก็มันไม่ปกติอยู่ได้ความรู้สึกอันเนี้ยเดี๋ยวก็ร้อนมากระทบเข้าเดี๋ยวก็หนาวมากระทบเข้าเดี๋ยวความเจ็บความปวดในอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งบังเกิดขึ้นก็มากระทบกับจิตนี้แหละไม่ไปที่อื่นแล้ว คิดนี้ย่อมรับรู้ทุกอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วบบบนี้คนเรามันก็มาหลงติดหลงข้องอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะได้สัมผัสกับความสุขนั่นแหละ เมื่อได้สัมผัสกับความสุขและติดอกติดใจพออกพอใจนั่นแหละจะทำให้จิตดนดี้เพลินอยู่ในโลกนี่ไม่คิดเบื่อคิดได้ทันเมื่อได้สัมผัสกับความทุกขมา ก็ไม่มีปัญญาที่จะสอนใจให้เบื่อให้นายมีแต่ร้องให้คร่ำครวญไปมาอยู่อย่างนั้นแหละจะกำหนดรู้เท่าทุกข์ก็กำหนดไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกจิตนี่มาแต่ก่อนเมื่อทุกข์มาถึงเขาก็มีแต่กระวนกระวาย กระเสือ ก, กระสนไปมาอยู่อย่างนั้นซึ่งจะมีความอดกัน้นต่อทุกขเวทนาเน้นทำไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกมาดังนั้นการที่ผู้ฝึกนั่งสมาธิภาวนาหัดอดถัดทน ต่อความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวอะไรหมู่นี้มันเป็นผลดีขอให้เข้าใจผลดีต่อเมื่อเวลาร่างกายสังขารนี่มันวิบวัิลงดวงจิตนี่ก็จะได้อดได้ทนไม่กระวนกระวายอดได้ทนได้เพราะเคยอดมา ไม่อดยิ่งเป็นทุกข์เตืตอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าอดทนไม่วันไหวแล้วก็ไม่ทุกข์หลายเพราะมันมองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายอันนี้นี่เกิดมาแล้วจะให้มันอยู่นิ่ง ไม่ให้มันแปรปวนไม่ให้มันวันไว้ไปมาไม่ได้ตนหักหลงมาอาศัยมันอยู่แล้วก็ต้องอดทนอดกลั้นไปถ้าผูใ้ใดไปคิดฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปเป็นกรรมมานี่ตามสนองไปถึงห้ารอยชาดนูน่น ไม่มีปัญญาที่จะมาอดกั้นทนทานรู้เท่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจอันนี้แล้วก็กินยาตายไปเสียเข้าใจว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ไปเบื้องหน้าตายไปแล้วเห็นจะสบายหน่อยนั่นเข้าใจผิดมันไม่สบายแล้วตนทํากรรมมาได้ไวในโลกนี่ตนก็ไปเสวยผลกรรมมันนั่น ไอ้ตนฆ่าตัวเองนี่สิเนี่ยกรรมอ น, นี่มันก็ไปตามสนองให้เป็นทุกไปมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจติดตามไปเพราะว่าจิตดวงเดียวเนี่ยไปสู่โลกหน้าก็ดีเมื่อปัจจุบันนี่มันหอบเอาความทุกข์โทมนัดรับแทนใจไว้แล้วเมื่อจิตนี้ละจากร่างอันนี้ไปแล้ว มันก็เอาความเศร้าโศกเสียใจอันนี้ติดตามไปด้วยนั่นอย่าไปเข้าใจผิดต้องคิดให้มันถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงห้ามไว้<ม>ก็องค์เจ้าก็ไม่ทรง แสดงโทษของการฆ่าตัวตายไว้แล้วถ้าว่าฆ่าตัวตายไปแล้วมันไปสบายอย่างนี้งูพระองค์เจ้าไม่ห้ามหรอกเห็นว่ามันทุกข์หลายก็เอาสิฆ่าตัวตายไปเสะแล้วก็จะได้สบายอย่างนี้นะไม่มีทางฆ่าตัวเองตายมันก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นตายนั่นแหละ เพราะว่าตนเองก็สัตว์แต่่วาโลกคนหนึ่งแปลว่าปลาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตอยู่นีป่ปานสัญญิโตจิตคิดจะฆ่านี่ก็หมายความว่าจิตมันคิดจะฆ่าตัวเองก็เลยอกคิดฆ่าสัตว์นั่นเองหนอะสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่ในโลกนี้่ น, น เมื่อจิดตดวงนี้มันยังคลองอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันกับสัตว์อื่นๆนั้นแหละมันจะแปลกกันอะไรเล่านั่นนั้นผู้ใดคิดฆ่าตัวเองตายยิ่งมว่าเท่ากับววคิดฆ่าผู้อื่นให้ตายนั่นแหละนั่นนั้นผู้ใดกำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อผู้นั่น คือผู้นั้นจะได้อดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาทําความรู้เท่าต่อทุกอันนั้นไปเพราว่าทุกขเวทนานี่เมื่อเราเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยจริงจังเข้าไปแล้วมันทําให้จิตนี่เข้มแข็งเข้ากล้าหานกล้าเผชิญกับความทุกข จิตนี้ก็เรียกว่ามันอยู่เหนือทุกข์และวมันจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆนั้นถ้าจิตนี้อยู่ใต้ทุกข์หรือว่าอ่อนแอแล้วอย่างนี้ทุกข์มันกรครอบงับเอามีแต่ดิ้นรนกวดแกงไปมาอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อทุกข์มันครอบงับเอาอ่ะดังนั้นบุคคลผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ มันต้องมีจัดจิตเข้มแข็งอยู่เหนือทุกขไม่หวั่นไหวต่อทุกขมันจึงพ้นจากทุกไปได้ให้พึ่งพากันเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจเนี่ยพระศ า, ศาสดายังได้ทรงตรัสสอนให้กำหนดรู้เท่าเอา มันละไม่ได้ในเมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่ความไม่เที่ยงมันก็ยอมปรากฏอยู่อย่างนี้แหละเมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนุ่นมันยังไม่หมดเขตมันลงมันก็ต้องเป็นอยู่ไปอย่างนี้แหละถึงคราวมันวิบัติก็วิบัติแปรปูนไปถึงคราวมันหายเป็นปกติมันก็หายไป แต่เมื่อมันหมดบุญหมดกรรมเขาจริงๆแล้วมันมีแต่เสื่อมไปโดยส่วนเดียวซึ่งจะกลับคืนดีเหมือนเดิมไม่มีแล้วดังนั้นนะถ้าผู้ไม่ประสงค์จะให้ได้รับรู้ความแปรปรวนของขันห้าอยู่อย่างนี้เลยไปแล้วก็กำหนดรู้เท่ามัน อดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งของร่างกายอันเนี้ยไปในขณะเดียวกันก็กาหนดละความสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปไม่ให้มันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่ารูปกับนามอันนี้ไม่ใช่ของเรา เป็นแต่เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวกว็าจากไปอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ละเหตุแห่งทุกข์ละความเห็นผิดที่ว่ารูป ก, กายนี้เป็นตัวเป็นตนเสียให้มันเกิดความรู้เห็นว่ารูป ก, กายนี้ไม่ใช่ตัวตนขึ้นมาแทน แล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้มันปรากฏอยู่เรื่อยไปอย่างนี้แหละมันจึงจะพน้นทุกข์ได้หรือ <c oughs> ว่าเพียนพยายามละความอยากของดวงจิจเนี่ยออกไป มันอยากให้โรคภัยไข้เจ็บนี้หายอยากให้ร่างกายนี้เที่ยงยั่งยืนอยากให้ทุกขเวทนาต่างๆนี่หายไปอยากให้มีผู้มาช่วยเหลือรักษาให้ตนหายจากโรคภัยไข้ไขเจ็บนี้ความวิตกวิจารณ์ในใจอย่างนี้นะเก็เรียกว่ามันก็เป็นตัณหา เป็นเหตุให้เกิดทุกข์พราเมื่อความอยากอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้ววันนี้มันก็เป็นทุกข์แหละลคลำครวนกันต่างๆนาะนาะ น, ะนี่มันเลยกลายเป็นอุปาทานไปแบบนี้นะดังนั้นในขณะที่ ทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่นั่นก็ห้ามความคิดเหล่านี้ลงเสียอย่าให้มันวิตกไปถาถึงวิตกไปยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ประคับประคองชีวิตอันนี้ให้เป็นอยู่ไปเนะ่มันจวนจะหมดจะสิ้นอยู่แล้ว จะไปให้ใครมาช่วยได้ไม่มีใครจะมาช่วยได้เหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้นะเมื่อรากมันผูกมันเน่าเต็มที่แล้วมันไม่สามารถที่จะดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นได้แล้วปรากฏว่ากิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นนั้นค่อยเหี่ยวแห้งค่อยตายมาตายมาโดยลําดับ อย่างนี้แล้วแล้วใครจะไปเอาปุ๋ยอันดีๆวิเศษอะไรไปใส่ลดน้ำสักเท่าไรเท่าไรไม่ต้นนั้นมันก็ไม่มีทางมันจะงอกงามเจริญไปได้เพราะว่ารากมันเน่ามันผุไปมากแล้วมันไม่มีกำลังที่จะดูดเอาอาหารเหล่านั้นไปเลี้ยงลำต้นของตนได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ อัตภาพร่างกายนี้เมื่อบุญกุศลที่ตนได้สร้างมานั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วธาตุทั้งสี่อันนี้ก็ไม่ฟองดองสามัคคีกันอนอะวิบัติแปลพวนไปบางทีธาตุไฟมันอ่อนลงอย่างนี้นยะมันก็ทําให้ไม่อยากเข้าแล้วถ้าธาตุไฟมันอ่อนลงไปแล้ว บางทีธาตุลมมันปัะอ่อนลงไปทำให้อ่อนเพลียไม่มีกำลังวังชามนบางทีทำให้ธาตุน้ำมันมากเกินไปถ้าธาตุน้ำมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดพกเกิดบวมขึ้นตามร่างกายอันนี้ หรือทำให้ท้องเดินท้องล่วงอะไรหมดเนี่ยเมื่อธาตุเหล่านี้มันอ่อนแอลงไปแล้วมันก็ไม่มีความคิดที่จะอยากอาหารเลยมันไม่ต้องการแล้ววะนี้ธาตุอันนี้มันมันไม่ต้องการรับอาหารย่อยอาหารแล้วธาตุไฟมันก็ไม่พอพอที่จะย่อยอาหารได้ ดังนั้นมันถึงไม่อยากเข้าย่ยไม่อยากน้ำอะไรเลยนี่แหละคนเราน่ะเมื่อเวลาบุญเก่ามันใกล้จะหมดลงไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นต้องเรียนรู้ไวต้องภาวนาพิจรารณาให้รู้ชัดในใจไว้เมื่อถึงคราวนั้นมาแล้วมันจะไม่ได้เสียใจเศร้าโศก และจะไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ามันไม่มีคนตายมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นแหละมันหมดเหตุปัจจัยอุปธม ร, รมบรุงไว้แล้วมันก็จะแตกสลายออกจากกันเท่านั้นเองนะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่ในนี้เลย ก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อเวลาปกติดีอยู่นี่เราก็พิจารณากำหนดรู้ร่วงหน้าไว้อย่างว่านั่นนี่ก็พอถึงเวลานั้นมาก็สอนใจตัวเองให้ได้อย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนใจใจเห็นแจ้งทำปัญญาแล้วมันก็สิ้นสงสัยน่ะอ๋อบุญที่เราทำมาแต่ก่อนมันหมดลงแล้ววะนี่ เอาแล้วก็โปรงลงแล้ววะนี้ไม่สำคัญว่าจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปแล้วก็ปรงลงไปงนั่นเนี่ยไม่เสียใจไม่ดีใจทำจิตให้เป็นอุบเบกขาต่อน้ำต่อรูปอันนี้ลงไปนี่การที่บุคคลจะพ้นจากรูปจากน้ำอันนี้ไปได้ เราก็ต้องมาป ร, ปรับปรุงใจนี้ให้เป็นกลางวางใจนี้ให้เป็นหนึ่งลงไปแล้วปรับปรุงในเวลาที่มันยังไม่แตกไม่ดับเนี่ยมันยังไม่สำรุดมากนี่อย่างเช่นเรานั่งสมาธิภาวนากันอยู่ทุกวันทุกคืนมาอย่างนี้เนี่ยนี่เรียก ว, ว่าเราปรับปรุงใจให้มันถูกต้อง วางใจให้มันถูกหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยวางใจหัดหัดปงุงหัดวางใจให้เป็นกลางอยู่เรื่อยไปเป็นกลางพร้อมด้ห ย, ยาดความรู้นะรู้แจ้งในร่างกายนี้ตามไปจริงแล้วจึงวางใจเป็นกลางลงไปหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นกลางโดยที่ไม่รู้แจ้ง นั่นแหละการที่บุคคลจะมาทำใจได้อย่างว่านี่มันก็ต้องผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับทีเดียวมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือฝ่าฟันสิ่งกีดขวางของจิตใจนี่โดยลำดับมาก็อะไรแล้วกีดขวางก็กิเลสบาปธรรม นั่นแหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติเป็นขั้นขั้นมาข้อปฏิบัติในขั้นนี้อสําหรับระ ง, งับกิเลสในขั้นนี้อย่างนี้นะข้อปฏิบัติในขั้นนี้สําหรับกระ ง, งับกิเลสอย่างกลาง ข้อปฏิบัติในขั้นนี้ได้แก่ปัญญ า, เ, าเป็นคุณธรรมสำหรับประงับกิเลสอย่างละเอียด <c oughs> พระองค์เจ้าทรงสแสดงข้อปฏิบัติว่ายอย่างนี้นะมันพอหมอพอดีกับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กันหมายความว่าธรรมะเหล่านี้นะ มันเหมาะเจาะพอดีที่จะระ ง, งับกิเลสในใจอันนี้ออกได้แต่คนบางคนทำความเพียรลงไปอยากจะให้กิเลสตัณหานี่มันหมดไปโดยเร็วขมักขมเขม่น ไปอย่างเต็มที่หรือว่าเกินขอบเขตไปเมื่อกิเลสนี่มันยังระ ง, งับไปไม่ได้ดังใจหวังก็ท้อใจนึกว่าตนนี่ไม่มีวาสนาที่จะเอาชนะกิเลสได้แล้วในชาตินี้ก็ถอยหลังไปเสียเลยไม่ทำความเพียรสืบต่อ ผู้นั้นนับว่าเป็นผู้เข้าใจผิดทางมัชชิมาปฏิปทาไปก็เพราะองค์ทรงสอนให้ดําเนินทางสายกลางตนไม่ทำตามอย่างนั้นแล้วมันจะไปหลุดพ้นไปได้อย่างไรนั่นแหละต้องเข้าใจทำอะไรก็ต้องให้พอประมาณให้พอดีพอดีอย่างนี้มันจึงเป็น ทางสายกลางได้ทำความเพียรอย่างนี้ก็พระศาสดาทรงเนะให้เปลี่ยนอริยบททั้งสี่ให้สม่ำเสมอกันนี่ก็เพื่อพยายามประคับประคองร่างกายอันนี้ไว้เพื่อจะได้ทำความเพียรสืบต่อไป จะได้ทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อไปเพราะว่าบุญกุศลหรือคุณธรรมอันจะทำใจให้เป็นกลางนี่เนะี่ยมันจะเกิดจากความสงบใจดังนั้นนะการทำใจให้สงบหรือภาคเพียร น, นำใจสงบนี่ ไม่ใช่แต่อิริยบุนั่งอย่างเดียวยืนก็ทำได้เดินจงกรมก็ทำให้ใจสงบได้นอนอยู่ก็ทำใจสงบได้ถ้าผู้ที่เข้าใจนะผู้ฉลาดหรือผู้อบรมสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในตนเนะี่ยย่อมทำได้ ไม่ใช่ว่าจะไปเอาแต่ ม, มานะเข้าใส่อย่างเดียวเท่านั้นนนั้นไม่ได้เราต้องอาศัยอุบายแยกภายในใจนั่นแหละต้องเดินพอประมาณยืนพอประมาณนั่งพอประมาณนอนพอประมาณ อย่างนี้นี่มันจึงค่อยเป็นไปได้แล้วข้อสำคัญก็มีสติสมัมปชัญญะตามรักษาจิตที่เราทำให้มันสงบลงไปมาแล้วนั่นพยายามตามรักษาความสงบอันนั้นให้มันติดต่อกันไปก็หมายความว่า พยายามรักษาจิตนี่อย่าให้มันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาในเวลาตาได้เห็นรูปเป็นต้นอย่างนี้นะนี่เรียกว่ารักษาสมาธิไว้ได้ถ้ากว่าไปเผลอสติไปปล่อยใจให้หลงยินดีหลงยินร้าย ก็อารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาบ่อยๆอย่างนี้สมาธิมันก็ถอนจิตจะตั้งเป็นกลางอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยกลัวว่าจะทำจิตให้เป็นกลางได้มันต้องสํารวมในศีลสํารวมในอินทรียื่อยมาโดยลำดับสํารวมในศีลก็ไม่ เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละพูดง่ายว่าไม่สร้างบาปให้เกิดมีขึ้นในตนนั่นแหละถ้าถ้าไปสร้างบาปขึ้นในตนระบาดนั่นสิมันมารบ ก, กวนจิตนี้ให้เป็นกลางอยู่ไม่ได้เลยสายของบาปมันก็มารบ ก, กวนจิตให้คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะนั่นแหละ สายของบุญกุศลนี่เมื่อก็มีแต่มาอบรมจิตนีให้คิดแสบำเพรนประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเรื่อยไปออทําอย่างไรจะเกิดเป็นประโยชน์ดีต่อตอนเองและต่อผู้อื่นเนี่มันก็จะต้องพยายามทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่ารักษาสมาธิไว้ได้ เมื่อรักษาสมาธิไว้ได้ก็รักษาปัญญาไว้ได้เพราะปัญญาก็เกิดจากสมาธินั่นเองดังแสดงมา